p o c a h o ฮ t a ทักาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าของทวีปอเมริกาใต้หัวนหน้าของชนเผ่าคือพาหโฮเทนและมีลูกสาวที่ชื่อว่าพคาฮอนทัสภายในป่าเด็กสาวคนอื่นๆกำลังเก็บลูกเบอร์รี่และดอกไม้ขณะที่พ็คาฮอนทัสกำลังสนุกอยู่กับการสร้างมุมแรงของเธอ เอาหน้าปะคอนทัสเราต้องกลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะตะกร้าของเจ้ายังไม่มีอะไรเลยนะทำไมล่ะข้าจะอยู่ที่นี่เราดูดาวฟังเสียงของจิ้งหรีดและนกฮูกข้าไม่ได้อยากเก็บเบอร์รี่เธอความมุมะแรงของเธอไปที่พุ่มเบอร์รี่และลูกเบอร์รี่ทั้งหมดก็หล่นใส่ตะกร้าของเธอสาวๆทั้งหมดตกตะลึงแล้วเธอก็ได้ชีนิ้วไปที่ถ้ำบนยอดเขาสูง มันจะวิเศษสุดๆเลยใช่ไหมหากได้ค้างคืนบนนั้นมันคงราวกับเหมือนได้สัมผัสกับดวงดาวเลยอ๋ออเด็กผู้หญิงไม่ควรทำอย่างนั้นนะการพจญภัยบ้าๆแบบนั้นมันสำหรับผู้ชายไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนปีในสุขขนาดนั้นจะน่าจะเกิดมาเป็นผู้ชายเจ้ามั่นใจนะว่าเจ้าจะทำแบบนั้นข้าไม่ได้อยากเป็นผู้ชาย ผู้หญิงก็ทำทุกอย่างได้เหมือนกันนะขอแค่ตั้งใจพวกคาฮอนทัสออกจากกลุ่มแล้ววิ่งมุ่งหน้าไปที่ภูเขาพวกาฮอนทัสกลับมานะพวกาฮอนทัสกลับมานะอย่าไปนะพวกาฮอนทัสแต่พวกคาฮอนทัสก็ไม่ได้กลับไปเธอปีนขึ้นไปบนภูเขาและเข้าไปในถ้ง ที่ผนังของถ้ำเธอพบกับลูกนกฮูกที่ตกจากรังมันรู้สึกหวาดกลัวพอกรฮอนทัสจึงหยิบมันขึ้นมาไาเจ้าตัวน้อยแม่เจ้าละ่ะบอกข้าซิรักของเจ้าอยู่ที่ไหนเธอปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้ววางลูกนกฮูกกลับไปไว้ในรังแล้วจากนั้นเธอก็นั่งบนกิ่งไม้แล้วมองท้องฟ้าว้าว ยืนมือของเธอไปบนท้องฟ้าก่อที่จะสัมผัสกับดวงดาวเธอก็ถอนหายใจเช้าวันต่อมาพ่คาฮอนทัสค่อยๆลืมตาขึ้นตื่นสิพ่อคาฮอนทัสลูกไม่เป็นอะไรใช่ไหมท่านพ่อพ่อถามว่าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมค่ะคค่ะไม่เป็นไรเจ้ารู้ไหมพอเป็นห่วงแค่ไหนอาจมีสัตว์ร้ายมาทำร้ายเจ้าอาจเกิดอะไรร้ายๆขึ้นกับเจ้าก็ได้ นี่ไงค่าจุดไฟข้าไม่เป็นไรพวกสัตว์ป่ารู้จักข้ามันไม่ทำอะไรข้าหรอกพอได้แล้วกลับบ้านเหนี๋ยวนี้ทันใดนั้น <c oughs> พวกเขาได้ยินเสียงดังขึ้นพาวดแทนให้คนของเขาตรวจสอบจากบนภูเขาไปยังข้างล่างพวกเขาพบ ว, ว่าด้านนอกของป่ามีกองทัพและรถม้าขนาดใหญ่หันหน้าของเขาคือผู้บัญชาการ เราจะสร้างเมืองของเราที่นี่สำหรับคืนนี้ตั้งแคมป์พักในเต็นท์กันไปพรุ่งนี้เช้าเราจะเริ่มทำการสร้างเฮ้เฮ้โอ้ออโอพันธอนและคนของเขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับกองทัพที่พวกเขาเห็นพวกเขาต้องการอะไรกันแนะเราจะสังเกตการพวกเขาอย่างใกล้ชิดมอบสเสบียงให้พวกเขาแล้วรู้ให้ได้ว่าพวกเขาเป็นใครบางทีเราอาจจะทำให้พวกเขามาร่วมกับพวกเรา และทำให้พวกเขาอยู่ในการปกครองของเราดังนั้นชนเผ่าจึงนำผลไม้มะพร้าวแยมเบอร์รี่และข้าวและเดินทางไปยังค่ายที่พักของผู้มาเยือนท่านเป็นแขกของเราในพื้นที่แห่งนี้ได้โปรดรับของที่เรานำมาให้ด้วยเถิดขอบคุณมากท่านว่าน้าพผาโฮเทนพวกเราขอบคุณท่านอย่างสุดซึง้งด้วยวิธีนี้าเา่แทนและคนของเขา จึงนำสเสบียงและอมอบให้กับผู้มาเยือนและผู้มาเยือนก็ตอบแทนด้วยพ้าห่มเชือกและสิ่งต่างๆคืนเช่นกันพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่หัวหน้าทั้งสองเผ่าก็มีอย่างอื่นภายในใจคนพวกนั้นยังอยู่ในที่ของเราพวกเขาต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราถ้ามันไม่ยอมรับข้าเป็นหัวหน้าเราจะทาสงครามกับพวกเขาในวันรุ่งขึ้นหลังจากพระจันทร์เต็มดวง แล้วเราจะสู้เราต้องสู้แต่ท่านพ่อคะนี่ไม่ใช่เรื่องของเด็กผู้หญิงดูท่อนไม้ผลไม้และหนังสัตว์พวกนี้ที่พวกเราได้จากป่านี้สิเราต้องเอามันมาให้ได้ทั้งหมดเลยพวกเราต้องทำสงครามพรุ่งนี้หลังจากพระจันทร์เต็มดวงใช่แล้ว พวกเราจะสู้ใอยแล้วเราต้องสู้ใช่แล้วพวกเราจะสู้พอกฮอนทัสรู้สึกไม่สบายใจนะที่ชนเผ่าของเธอจะก่อสองครามเพียงเพื่อให้พวกเขาเข้าร่วมขณะที่เธอเดินขุ้นคิดอยู่ในป่าเธอได้ยินเสียงใกล้กับเนินตกพอกฮอนทัสจึงรีบเดินไปดูใกล้กๆลูกเสือกำลังจะตาย พ่อขวันทัศรีบบินเข้าไปช่วยพ่อขาวันทัสรและจอ์สมิตดิ่งลึกลงไปในแม่น้ำเธอลากเขาขึ้นมาจากแม่น้ำซึ่งตอนนั้นเป็นเวลากลางคืน <c oughs> เธอเป็นอะไรหรือเปล่าใช่แล้วหัวฉันรู้สึกหนักอึ้งไปหมดเลยเธอเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉัน เธอเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยสัตว์นั่นลูกสัตว์ตัวนั้นมันกำพร้าและน่าสงสารคุณเนี่ยเกือบจะฆ่ามันแล้วนี่แหละมันกำลังเกิดขึ้นลูกสัตว์ต้องรีบหนีตอนที่มันเห็นต้นไม้ถูกโค่นล้มเธอช่วยสัตว์ทุกตัวในป่านี้ไว้ไม่ได้หรอกนะจะพูดจริงกับว่าสัตว์พวกนี้ไม่สมควรอยู่บนโลกใบนี้อย่างนั้นแหละยังกับพวกมันไม่มีค่าสำหรับพวกคุณเนะี่ะ มันเป็นกฎของป่านี้คนที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะอยู่รอดทันใดนั้นเขาเห็นบางอย่างแล้วบอกกับพอค อ, อนทัสอยา่าขยับนะมีงูเห่าตัวหนึ่งอยู่บนพื้นจอนได้หยิบก้อนหินแล้วก็จะคว่างใส่เจ้างูนั่นหยุดนะเธอวิ่งเข้าไปคุกเข่าตรงหน้างูเราจะไม่ทำร้ายเจ้าข้าสัญญาถ้าเจ้าไม่ชอบพวกเราเราจะไปอย่างสงบ ขอโทษที่บรบกวนนะและเจ้างูก็ค่อยๆเลื้อยหนีไปงานอดิเรกของเธอคือการเสี่ยงชีวิตเรื่องไหกันฉันเบื่อพอดีงั้นการเผชิญหน้ากับความตายก็ไม่น่าเลวนะดูน่าเจ้าสิคนที่แข็งแกร่งถึงอยู่รอดละ่ะ แค่งูตัวเล็กทำเจ้าตกใจยังกับเจ้าจะบอกตัวเองว่าแกร่งใครๆก็ต่างรู้สึกมีอำนาจไม่มีเอาวะอยู่ในมือใช่ไหมแล้วอะไรคือความกล้าที่แท้จริงกันแน่ล่ะเออเปล่านะฉันแค่กังวลแทนเธอแล้วเธอคุยกับงูได้ยังไงกันแล้วมันเข้าใจที่เธอพูดด้วยเหรอสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบไม้ดอกไม้เจ้าและค่าและท้องฟ้าและสายรุง้ง เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันเราสามารถเรียนรู้ที่จะพูดและฟังผ่านภาษาแห่งรักภ า, าภาษารักภาษารักคือเมื่อเจ้าไม่ต้องการทำร้ายใครเจ้าหวังดีกับทุกคนและเจ้าให้ความเคารพแก่ทุกชีวิตบนโลกใบนี้นั่นคือภาษารักที่ทุกคนควรที่จะเข้าใจมันนกตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ไหล่ของโพคาฮอนทัส เฮ้เจ hey, ้าตัวเล็กเจ้าจะลองหน่อยไหมฉันเหรออือใช้ความรักทั้งหมดในหัวใจของเจ้าเรียกมันสิ อ, อ๋อได้เลยเขาแซงยิ้มออกมาอย่างชั่วร้ายเจ<อ>้านกก็ตกใจกลัวจนไปแอบข้างหลังของพกเขอนทัสและแอบมองออกมาไม่ต้องกลัวนะเจ้านกน้อยฉันไม่ทำรา้ายเจ้าหรอกมันไม่ได้ผลนะ โหดร้ายสุดเลดี ใ, ใจของเจ้าช่างโหดร้ายนักจอห์นสมิธก็ได้พยายามอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เขารวบรวมความรักทั้งหมดออกมาจากหัวใจเขากางแขนออกมาและยิ้มเจ้านกบินไปหาเขาแล้วเรียกตัวอื่นๆ อ, ออกมานกมากมายเกาะที่ไหล่ที่มือและหัวของเขาบนตัวของปกอบทัศก็เช่นกันนี่มันวิเศษไปเลย มีนกสองคู่บินมาพร้อมกับมงกุฎดอกไม้คู่หนึ่งวางบนหัวของพวกเฮอร์นัสอีกคู่หนึ่งพยายามจะวางไว้บนหัวจอรนแต่มันคับเกินไปเจ้านกจึงพยายามใช้ปากยืดมันแต่ก็ยังวางไม่ได้จนมันตกลงไ ป, จงไปเจ้านกโมโหจนตะกุยผมเขาจนยุ่งฟูและมันก็บินหนีไปจอร์นสมิธดยตลกด้วยผมยุ่งๆของเขา เขามองตัวเองในแม่น้ำและหัวเราะออกมาโปเกอรฮอนทัสก็หัวเราะเช่นกันเจ้านุกเริ่มหัวเราะและบินจากไปจอห์นสมิตมองโปเกอรฮอนทัสและหัวเราะและยิ้มออกมาเขารักรอยยิ้มนั้นทุกอย่างเงียบลงจอห์นมองไปที่โปเกอรฮอนทัสเธอสวยจังขอบคุณนะขอบคุณทำไมเธอช่วยชีวิตฉันขอบคุณมากนะ มีอะไรเหะพวกเจ้าต้องได้ไปจากที่นี่นะไม่พวกเธอต่างหากต้องรีบหนีหนีเหรอใช่วันนี้หลังจากพระจันทร์เต็มดวงคนของพวกฉันวางแผนจะโจมตีชนเผ่าของเธอเพื่ออะไรล่ะเพื่อครอบครองป่าทั้งหมดนี้และพ่อของข้าต้องการให้พวกเจ้าเข้าร่วมในชนเผ่าของเขาเราต้องหยุดพวกเขาหยุดยังไงล่ะมากับขา้า พาหัวแทนและกล่มผู้บัญชาการกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสงคารามและพวกเขาพร้อมออกไปโจมตีกันชัยชนะเป็นของพวกเราชัยชนะเป็นของพวกเราชัยชนะต้องเป็นของพวกเราชัยชนะเป็นของพวกเราเราจะชนะเราจะชนะเราต้องชนะเราต้องชนะหยุดก่อนอา ลูกสาวของเผ่าโอเดนเจ้ามาทําอะไรที่นี่หยุดสงครามนี้ซะมันจะไม่ได้อะไรนอกจากฆ่าคนของเราทั้งสองฝ่ายทั้งคนของเจ้าสิเราจะยึดครองพื้นป่าของเจ้าพื้นป่าไม่ได้มีไว้แค่สําหรับมนุษย์เท่านั้นมันยังเป็นที่อยู่ของต้นไม้สิ่งมีชีวิตต่งตางๆพวกเขามอบอาหารและที่อยู่อาศัยให้อยู่เราแต่ว่าเรา กลับไม่ได้ตอบแทนอะไรคืนป่าเลยีย่เมื่อป่ายังแบ่งที่อยู่แก่เรานะ่ะทำไมเราไม่แบ่งปันซึ่งกันและกันละ่ะอ๋อได้แล้วมันแค่แผนที่เผาโหดแทนใช้เพื่อเอาตัวรอดจากเราทัานใดนั้นลูกสิงโตที่พะการนทัสเคยช่วยเอาไว้เดินเข้ามาเลียบพะการนทัสเด็กๆจากแคมป์ของผู้บัญชาการเดินเข้ามาเล่นด้วยความสนใจลูกสิงโตและเด็ก กลายเป็นเพื่อนกันก่อนที่จะมีเสียงคำรามจากสิงโตตัวใหญ่ที่เดินออกมาอย่างสง่านี่งงมันมันอะไรกันเนี่ยช่วยเด็กไว้ช่วยเด็กไว้ช่วยเด็กๆช่วยเด็เวคนของผู้บัญชาการจอดปูดไปที่สิงโตแต่พวกเขาเห็นสิงโตหุิบจมหน้าของพวกเขาทัศและเด็กก็เล่นกับมา เด็กรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้เห็นสิงโตและเด็กเดินเข้าไปแต่ที่จะหมูกสิงโตและหัวเราออกมาผู้บัญชาการเตรียมปืนขึ้นมาในตอนนั้นจอสมิธได้กลับมาพร้อมกับพาวเวแทนหยุดก่อนขอร้องหยุดเถอะดูสิคนสามารถเป็นเพื่อนกับสัตว์ได้นะทำไมมนุษย์กับมนุษย์ถึงเป็นเพื่อนกันไม่ได้ละ่ะแทนที่เราจะสู้กัน ทำไมพวกเรานะ่ะถึงไม่ร่วมมือกันและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขล่ะในที่สุดมนุษย์กับมนุษย์และสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้จากนั้นทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข